ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรมต่อมาสงได้ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรมโดยสั่งให้ภิกษุสุธรมนั้นไปขอขมาจิตตะฆาปฎีภิกษุสุธรรมนั้ น, ขขรร น, นถูกสงลงปฏิสารณียกรรมแล้วเดินทางไปเมืองมัจจิ ก, กาสนต้องเก้อเขินไม่อาจขอขมาจิตตะฆาปฎีได้จึงกลับมายังกรุงสาวัตถีอีกภิกษุทั้งหลายถามถือว่า ท่านขอขมาจิตตะาบพดีแล้วหรือภิกษุสุธรรมตอบว่าผมเดินทางไปเมืองมัจจิกาสนเพราะเรื่องนี้ต้องเก้อเขินไม่อาจขอขมาจิตตะฆาบพดีได้ภิกษุทั้งหลายได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นทรงจงให้ภิกษุอนุทูตแก่ภิกษุสุธรรม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 พื่ให้ภิกษุนี้เป็นพระอนุทูตแก่ภิกษุสุธรรมเพื่อขอขมาจิตตะขะปฏินี่เป็นญัติท่านผู้เจริญขอสงฆ์งฟังข้าพเจ้าสงให้ภิกษุเป็นอนุทูตแก่ภิกษุสุธรรมเพื่อขอขมาจิตตะขะปดีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ภิกษุนี้เป็นอนุทูตแก่ภิกษุสุธรรมเพื่อขอขมาจิตตะขะปดีท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงภิกษุนี้สงให้เป็นอนุทูตแก่ภิกษุสุธรรมแล้วเพื่อขอขมาจิตตาฆะพอดีสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้วิธีขอขมาของภิกษุสุธรรมภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นภิกษุสุธรรมพึงไปเมืองมจิกาสนกับพระอนุทูต แล้วขอขอมาจิตตะฆาปดีว่าจิตตะฆาปดีท่านโปรดยกโทษอาตมาจะทําให้ท่านเลื่อมใสถ้าเมื่อกล่าวอย่างนี้เขายกโทษให้นั่นเป็นการดีถ้ายังไม่ยอมยกโทษให้พระอนุโทษพึงกล่าวว่าจิตตะฆาปดีขอท่านจงยกโทษแก่ภิกษุนี้ภิกษุนี้จะทําให้ท่านเลื่อมใสถ้าเมื่อกล่าวอย่างนี้เขายอมยกโทษให้นั่นเป็นการดี ถ้ายัางไม่ยอมยกโทษให้พระอนุทูตพึงกล่าวว่าจิตตะฆาบดีท่านจงยกโทษแก่ภิกษุนี้อาตมาจะทําท่านให้เลื่อมใสถ้าเมื่อกล่าวอย่างนี้เขายอมยกโทษให้นั่นเป็นการดีถ้ายังไม่ยอมยกโทษให้พระอนุทูตพึงกล่าวว่าจิตตะฆาบดีท่านจงยกโทษให้ตามคำของสงถ้าเมื่อกล่าวอย่างนี้เขายอมยกโทษให้ นั่นเป็นการดีถ้ายังไม่ยอมยกโทษให้พระอนุทูตพึงให้ภิกษุสุธรรมโฮมอุตราสงชเวงบาข้างหนึ่งให้นั่งกระยงให้ประนมมือแล้วให้แสดงอาบัตินั้นไม่เลยเขตที่จิตตะคะบดีจะมองเห็นจะได้ยินต่อมาท่านภิกษุสุธรรมเดินทางไปเมืองมัจิกาสนกับพระอนุทูตแล้วขอขมาจิตตคบดี ท่านกลับประพฤติ ช, ชอบหายเย่อหยิงกลับตัวได้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวอย่างนี้กระผมถูกสงลงปฏิสารณียกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้กระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้น สงเพงระงับปฏิสารณียกรรมไก่ภิกษุสุธรรมนาปฏิปสัมเพตพระอัทธารสกะว่าด้วยองค์18ของภิกษุที่สงไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรมหมวที่หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายทรงไม่พึง ร, งระงับปฏิสารณนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือหนึ่งให้อุปสมบท2ให้นิสัยสใช้สามเณรอุปถาก 4. รับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ยังสั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลายทรงไม่พึง ร, งระงับปฏิสารเนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แล หมวดที่สองกิุทั้งหลายสงไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ต้องอาบัติที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงปฏิสารณียกรรม 2. ต้องอาบัติอื่นทำนองเดียวกัน 3. ต้องอาบัติที่เลว3ามกว่า น, นั้น 4. ตําำหนิกรรมตําตำหนิภิษุผู้ทำกรรมภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับปฏิสารนียกรรมแก่ภิษุ ผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่3ภิกษุทั้งหลายสมไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่พิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8คือ 1. งดอุโบสถแก่ปะกะตตะภิษุ 2. งดปวารณาแก่ปะกะตตะภิษุ 3. ทํทำการไต่สวนสี่เริ่มอนุวาทาทิกรห้ 5. ขอโอกาสภิกษุอื่น 6. โจทย์พิษุอื่น 7. ให้ภิกษุอื่นให้การ 8. ชักชวนกันก่อความทะเลาะภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระ ง, งับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8ดเหล่านี้แลเนปฏิปัสัมเพตพระอัารส ก, กะในปฏิสารณียกรรมจบ ปฏิป ส, สัมเพตพภาอัารากะว่าด้วยองค์18ของภิกษุที่สงพึงระงับปฏิสารณียกรรมหมวดที่1ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือ 1. ไม่ให้อุปสมบท 2. ไม่ให้นิสัยสไม่ใช้สา ม, มนเณรอุปถาก 4. ไม่รับแต่งตั้งเป็นผู้สังสอนภิกษุณี หแม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่สั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งไม่ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงปฏิสารนิยกรรมอีก 2. ไม่ต้องอาบัติอื่นทำนองเดียวกันสมไม่ต้องอาบัติที่เลวซามกว่านั้นสไม่ตำหนิกรรม 5. ไม่ตำหนิภิกษุผู้ทำกรรมภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8คือ 1>, 1. ไม่งดอุโบสถแก่ปะกะตตะพิษุ 2. ไม่งดปวารณาแก่ปะกะตตะพิษุ 3. ไม่ทำการไต่สวนสไม่เริ่มอนุวา ท, าทิกรห้ 5. ไม่ขอโอกาสพิกษุอื่น 6. ไม่โจทย์พิษุอื่น 7. ไม่ให้พิกษุอื่นให้การ 8. ไม่ชักชวนกันก่ อ, กอความทะเลาะพิกษุทั้งหลายสงพึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่พิษุ ผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แลปฏิปัสัมเพตพระอั ธ, ธ, าธารสกะในปฏิสารณียกรรมจบวิธีรง่งะปฏิสารณียกรรมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลาย สงเพงระ ง, งับปฏิสารณียกรรมอย่างนี้คือพิกษุสุธรรมพึงเข้าไปหาสงโฮมอุตราสงเฉวียงบ่ากข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงปฏิสารณียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิงกลับตัวได้กระผมจึงขอระ ง, งับปฏิสารณียกรรมพึ่งขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม่ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยัติจตุตตกรรมอาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุสุธรรมนี้ถูกสงลงปฏิสารณียกรรมแล้วกลับประพฤตชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระ ง, งับปฏิสารณียกรรมถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงระ ง, งับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม นี่เป็นญติท่านผู้เจริญขอสงฆ์วงฟังข้าพเจ้าภิกสุทธธรรมนี้ถูกสงลงปฏิสารณียกรรมแล้วกลับประพฤตชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระ ง, งับปฏิสารณียกรรมสงระ ง, งับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกสุทธธรรมแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระ ง, งับปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกสุทธธรรมท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วย ท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองเขาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังเขาพเจ้าภิสุทธธรรมนี้ถูกสงลงปฏิสารนิยกรรมแล้วกลับประพฤติอชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระ ง, งับปฏิสารนิยกรรมสงระ ง, งับปฏิสารณียกรรมแกภ่ภิสุทธธรรมแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระ ง, งับปฏิสารนิยกรรมแกภ่ภิสุทธธรรม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 ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรมท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงปฏิสารณียกรรมสงระงับแล้วแก่ภิกษุสุธรรมสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอเถิความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปฏิสารณียกรรมที่สจบ เคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเรื่องภิกษุชื่อฉันนะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามเขครุงโกสัมพีครั้งนั้นภิกษุชื่อช น, นะต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัติบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตำหนิประนามโผลนทนาว่าชไหนภิกษุชื่อชนนะต้องอาบัติแล้ว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 แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นสงจงลงอุเคปนิยกรรมภิกษุชื่อฉันนะเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติห้ามสมโพกับสมวิธีลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงลงอุเคปนิยกรรมอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงจวภิกษุชื่อฉันนะ ครั้นแล้วให้ภิกษุชื่อฉันนะให้การแล้วจึงปรับอาบัติครั้นปรับอาบัติแล้วภิกษุผู้ชลาสามารถพึงประกาศให้สงสารด้วยยติจจตุตกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อฉันนะนี้ต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัติถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงลงอุเคปนิกรรมภิกษุชื่อฉันนะเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ ห้ามสมโภคกับสงนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสองชงฟังเข้าพเจ้าภิกษุชื่อฉันนะนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะเห็นว่าเป็นอาบอัติสงลงอุเคปนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อฉันนะเพราะไม่ไมเห็นว่าเป็นอาบ Wood ัตห้ามสมโภคกับสง์ท่านรูปใดเห็นดะ้วยกับการลงอุเคปนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อฉันนะเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตห้ามสมโภคกับสง์ ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองขาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าแม้ครั้งที่สามขาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังเขาพเจ้าภิกษุชื่อฉันนะนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัตสงฆ์ลงอุเคปเนิยกรรมก่ภิกษุชื่อฉันนะเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัต ห้ามสมโภคกับสงฆ์ gathered. ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงอุเคปณิยกรรมแก่ภิกษุชื่อฉันนะเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติห้ามสมโภคกับสงฆ์ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติสงฆ์ลงแก่ภิกษุชื่อชนะแล้วห้ามสมโภคกับสงฆ์สงฆ์เห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอเถอความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจึงบอกภิกษุผู้อยู่ในอาวาาต่อต่อไปว่าภิกษุชื่อฉันนะถูกสงลงอุกเคลปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติห้ามสมโพ ก, กับสง ทำมักรรมมทวาทศกะว่าด้วยออเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตที่ไม่ชอบทำสิบสองหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายออเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยและระงับไม่ดีคือหนึ่งลงลับหลังสองลงโดยไม่สอบถาม สามไม่ลงตามปติญญาภิกษุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยและระ ง, งับไม่ดีหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม เป็นคำไม่ชอบด้วยวินัยและระ ง, งับไม่ดีคือ 1. ลงเพราะไม่ต้องอาบัตสอลงเพราะอาบัตที่เป็นอเทสนาคามินี 3. ลงเพราะอาบัตที่แสดงแล้วหมวดที่สภิกษุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ1ไม่โจทย์ก่อนแล้วจึงลง 2. ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลง สามไม่ปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลงหมวดที่สภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงรับหลังสองลงโดยไม่ชอบธรรมสสงแบ่งพวกกันลงหมวดที่ห้าภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. งลงโดยไม่สอบถาม 2. ลงโดยไม่ชอบธำรม 3. สงแบ่งพวกกันลงหมวดที่6ภิกษุทั้งหลายโอเคปัิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ลงตามปฏิญญา 2. ลงโดยไม่ชอบทำรม3สงแบ่งพวกกันลงหมวดที่7ภิกษุทั้งหลาย อเคปัญญายกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ1ลงเพราะไม่ต้องอาบัตสอลงโดยไม่ชอบธรรามสงแบ่งพวกกันลงมัวที่8ภิกษุทั้งหลายโอเคปัญญายกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงเพราะอาบัตที่เป็นอเทศนาคามินีสองลงโดยไม่ชอบธรรม สามสแบ่งพวกกันลงหมวดที่เกภิกษุทั้งหลายโอเคปัิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึง่งคือหนึ่งลงเพราะอาบัตที่แสดงแล้วสองลงโดยไม่ชอบธรรมสามสงแบ่งพวกกันลงหมวดที่สิบภิกษุทั้งหลายโอเคปัิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึง่ง คือหนึ่งไม่โจกก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยไม่ชอบธรรามสงแบ่งพวกกันลงหมัวที่สิอภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยไม่ชอบทรสามสงแบ่งพวกกันลงมัวที่สิสองภิกษุทั้งหลาย โอเคปัิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งไม่ปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยไม่ชอบทำสามสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายโอเคปัิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยและระ ง, งับไม่ดี อาธรรมะก ร, รมมะทวาทศกะในอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตจบธรรมะก ร, รมมะทวาทศกะว่าด้วยออเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตที่ชอบทรรม12หมวดหมวดที่หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายโอ uke, เคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงรับดีคือหนึ่งลงต่อหน้าสองลงโดยสอบถามก่อนสลงตามปฏิญญาภิกษุทั้งหลายโอ uke, เคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้ แ, แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีหมวดที่สองพิกษุทั้งหลายอุเคปเัญญกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ลงเพราะต้องอาบัตส2ลงเพราะอาบัตที่เป็นเทสนาคามินีสลงเพราะอาบัตที่ยังไม่ได้แสดงหมวดที่สภิกษุทั้งหลาย อุเค okay, ปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สมอีกอย่างหนึ่งคือ1โจทย์ก่อนแล้วจึงลง2ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลง3ปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลงหมวดที่สภิกษุทั้งหลายอุเ okay, คปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สมอีกอย่างหนึ่งคือ1ลงต่อหน้า2ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลง หมวดที่หภิสษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงโดยสอบถามก่อน 2. ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพลียงกันลงหมวดที่6ภิกษุทั้งหลายโอเคปัิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ลงตามปฏิญญาสองลงโดยชอบธรรม สามสงพร้อมเพลียงกันลงหมวดที่7ภิกษุทั้งหลายโอ okay, เคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ลงเพราะต้องอาบัตสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพลียงกันลงหมวดที่8ภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่ง คือ 1. ลงเพราะอาบัตที่เป็นเทศนาคามินีสองลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลงหมวดที่9ภิกษุทั้งหลายโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยงองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงเพราะอาบัตที่ยังไม่ได้แสดงสองลงโดยชอบธรรมสมสงพร้อมเพรียงกันลงหมวดที่สภิกษุทั้งหลาย โอเคปัิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งจวก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยชอบธรรมสมสงพร้อมเพลียงกันลงหมวดที Mind ่11อภิกษุทั้งหลายอุเ okay, คปัิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยชอบธรรมสมสงพร้อมเพรียงกันลง หมวดที่สิบสองุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยชอบธรรม 3, สามสงพร้อมเพลียงกันลงภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระ ง, งับดี ท ร, รมกก ร, รมมะทวาทศกะในอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตจบอากังขามานะจักกะว่าด้วยสงมุ่งหวังจะลงอุเคปนิยกรรมหกหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย สงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปเนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเลก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออทิกรณในสงส์ 2. โง่งเขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลีกับพระรหดด้วยการคลุกคลีกับพระรหดที่ไม่สมควร ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอเุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลหมวดที่2ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. มีศีลวิบัติในอธิศีล 2. มีอาจารวิบัติในอาจารย์ สา ม, มีทิฐิวิบัติในอติทิฏฐิ thi. ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลหมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า สองกล่าวติเตรียมพระธรรมสามกล่าวติเตรียมพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุสามจำพวกคือหนึ่งรูปหนึ่งก่อความบาดม้าง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 พึงลง อ, อุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุอื่นอีกสามจำพวกคือ 1. รูปหนึ่งมีศิลวิบัติในอธิศีน2รูปหนึ่งมีอาจารวิบัติในอัชฌาจารย์ 3. รูปหนึ่งมีทิธิวิบัติในอติทิธิภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลง อ, อุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุสามจำพวกเหล่านี้แลหมวดที่6 ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแกภิกษุอื่นอีกสามจำพวกคือหนึ่งรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าสองรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรมสรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแกภิกษุสามจำพวกเหล่านี้แล อากลางขามาณจั ก, กะในอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติจบเตจัตาลีสวัตตะว่าด้วยวัด43าข้อในอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติภิกษุทั้งหลาย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 ที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงโ อ, อเคปณิยกรรมเพราะการไม่เห็นว่าเป็นอาบัตอีก 7. ไม่พึงต้องอาบัตอื่นทํานองเดียวกัน 8. ไม่พึงต้องอาบัตที่เลวซามกว่านั้น 9. ไม่พึงตําหนิกรรม10ไม่พึงตํำหนิภิกษุผู้ทํากรรมสิอไม่พึงยินดีการกราบไหว้ของปะกะตตะภิกษุสิสอง ไม่พึงยินดีการลูกรับของปะกะตตะพิษุ 13. ไม่พึงยินดีการปรนน์มือของปะกะตตะพิษุ 14. ไม่พึงยินดีสามีจิกรามของปะกะตตะพิษุ 15. ไม่พึงยินดีการนำอาสนะมาให้ของปะกะตตะพิษุ 16. ไม่พึงยินดีการนำที่นอนมาให้ของปะกะตตะพิษุ 17. ไม่พึงยินดีน้ำล้างเทา้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของประกาศตตะพิษุสิบแปดไม่พึงยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของประกาศตตะพิษุสิบเก้าไม่พึงยินดีการรับปาดและจีวรของประกาศตตะพิษุยีสิบไม่พึงยินดีการที่ประกาศตตะพิษุถูหลังให้ในคราวอาบน้ำยี 21. ไม่พึงใส่ความประกาศตตะภิกษุด้วยศีลวิบัติ22ไม่พึงใส่ความประกาศตตะภิกษุด้วยอาจารวิบัติ23ไม่พึงใส่ความประกาศตตะภิกษุด้วยทิฏฐิวิบัติ24ไม่พึงใส่ความประกาศตตะภิกษุ Belarus ด้วยอาชีววิบัติ25ไม่พึงยุโยงประกาศตตะภิกษุให้แตกกัน26 ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างครหัสิบเจไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดรธียี28ไม่พึงควบพวกเดรธียี่สพึงคบพวกภิกษุ30พึงศึกษาศสุขาบทของภิกษุ31ไม่พึงอยู่ในอาวาดที่มีเครื่องมุงเดียวกันกับปะกะตะตะภิกษุ 32. ไม่พึงอยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาวาด ที่มีเครื่องมงเดียวกันกับปะกะตตะพิษุ33ไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีเครื่องมงเดียวกันกับปะกะตตะพิษุ 34. เห็นปะกะตตะพิษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ 35. ไม่พึงรุกรานปะกะตตะพิษุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหาร36ไม่พึงงดอุโบสถแก่ปะกะตตะพิษุ 37ไม่พึงงดปวรารณาแก่ปะกะตตะพิษุสามไม่พึงทําการไตส่สวน39ไม่พึงเริ่มอนุว า, าทิกรสี่สไม่พึงขอโอกาสพิษุอื่น41ไม่พึงโจทย์พิสุอื่น 42. ไม่พึงให้พิกษุอื่นให้การ43ไม่พึงชักชวนกันก่อความทะเลาะ เตจตาลีสวัตตะในอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตจบสงลงโทษและระ ง, งับกรรมครั้งนั้นสงได้ลงโุเคปนิยกรรมพิสุชันนะเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตห้ามสมโค ก, กับสง ภิกษุชันนะนั้นถูกสงลงโอเคปัญญกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติภิกษุชันนะนั้นได้ออกจากอาวาสนั้นไปอาวาสอื่นผู้ภิกษุในอาวาสอื่นนั้นไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับไม่ประนมมือไม่ทาสามีจิกรมไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาภิกษุชันนะนั้นอันผู้ภิกษุไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชา เป็นผู้ไม่มีใครเชื่อถือจึงเดินทางไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้พวกภิกษุในอาวาสอื่นนั้นก็ไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับไม่ประนมมือไม่ทำสามีจิกกรรมไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาภิกษุชนะนั้นอันพวกภิกษุไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาเป็นผู้ไม่มีใครเชื่อถือ จึงเดินทางจากอาวาสนั้นไปสู่อาวาสอื่นแม้ผู้พิกษุในอาวาสอื่นนั้นก็ไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับไม่ประนมมือไม่ทําสามีจิกรรมไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาภิสษุนัชนะนั้นอันผู้พิสูจนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาเป็นผู้ไม่มีใครเชื่อถือจึงต้องขวนกลับมากรุงโกสัมพีอีกตามเดิม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 สงจงระงับโอเคปเนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุชนนะนปฏิปสัมเพตพระเตจัตาลิสกะว่าด้วยองค์43ของภิกษุที่สงไม่พึงระงับโอเคปเนิยกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติหมวดที่1ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงรังบโอเคปัิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5คือ 1. ให้อุปสมบท 2. ให้นิสัย 3. ใช้สั ม, มเนธอุปถากสรับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ยังสั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลาย สงไม่พึงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่พิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่สองพิสุทั้งหลายสงไม่พึงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตอีก 2. ต้องอาบัตอื่นทํานองเดียวกัน สต้องอาบัตที่เลวซามกว่านั้นสตําหนิกรรมหตําหนิภิกษุผู้ทํากรรมภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระ ง, งับโอเคปเนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลม่วดที่สาภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่ง คือ 1. ยินดีการกราบไหว้ของประกาศตตะภิกษุ 2. ยินดีการลุกรับของประกาศตตะภิกษุ 3. ยินดีการประนมนมือของประกาศตตะภิกษุ 4. ยินดีสามีจิกรรมของประกาตตะภิกษุ 5. ยินดีการนำอาสนะมาให้ของประกาศตตะภิกษุภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุ ูประกอบด้วยองค์5าเหล่านี้แลมัวที่4ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระ ง, งับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ยินดีการนำที่นอนมาให้ของประกาศตตะภิกษุสองยินดีน้ำล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของประกาศตตะภิกษุ สยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าของปะกะตตะพิษุ 4. ยินดีการรับบาดและจีวรของปะกะตตะพิษุ 5. ยินดีการที่ปะกะตตะพิษุถูหลังให้ในคราวอาบน้ำภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับโอเคปนยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบาดแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่5ภิกษุทั้งหลาย ทรงไม่เพียงระงรับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอา บ, บัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5อีกอย่างหนึง่งคือ 1. ใส่ความประกาศตัตตาภิกษุด้วยศีลวิบัติ 2. ใส่ความประกาศตัตตาภิกษุด้วยอาจารวิบัติ 3. ใส่ความประกาศตัตตภิกษุด้วยทิฏฐิวิบัติ 4. ใส่ความประกาศตัตตภิกษุด้วยอาชีวะวิบัติ 5. ยุโยงประกาศตัตตาภิกษุให้แตกกัน ภิกษุท <mister ius> ั้งหลายสงไม่พึงระงับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่6ภิกษุทั้งหลายทรงไม่พึงระงับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างครหัตสองใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดรัีสามคบพวกเดรัี สี่ไม่คบพวกภิกษุห้าไม่ศึกษาศึกษาบทของภิกษุภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่เดภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่ง คืออยู่ในอาวาดที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปะกะตตะพิกสุ 2. อยู่ในสถานที่มิใช่อาวาดที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปะกะตตะพิกสุ 3. อยู่ในอาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปะกะตตะพิกสุ 4. เห็นปะกะตตะพิกสุแล้วไม่ลุกจากอาสนะ หาโรคกรานประกาศตตภิกสุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหารภิกสุทั้งหลายสงไม่พึงระ ง, งับโอเคปณญยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่8ภิพิสุทั้งหลายสงไม่พึงระ ง, งับโอเคปัญญกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิษุผู้ประกอบด้วยองค์8อีกอย่างหนึ่ง คือ 1. งดอุโบสถแก่ประกาะัตตะภิษุ 2. งดประวารณาแก่ประกาัตตะภิษุ 3. ทำการไต่สวน 4. เริ่มอนุวาธาธิกร 5. ขอโอกาสภิษุอื่น 6. โจทย์ภิษุอื่น 7. ให้พิกษุอื่นให้การ 8. ชักชวนกันก่ อ, กอความทะเลาะภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับโอเคปนญยกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแกภิกษุผู้ประกอบด้วย อ, องค์แปดเหล่านี้แลนับปฏิปสามเพตพระเตจตาริสกะในโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตจบ